โอบรมในคืนวันที <dah s |pt|> to Go to picture, ่12เมษายนพศ2 5 1 0ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนคำะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอน คือท่านปฏิบัติเพื่อรู้ก็ทรงรู้ในสิ่งที่มีเวลารู้แล้วมาสั่งสอนพุทธบริษัทก็สั่งสอนตามสิ่งที่มีไม่สอนนอกรู้นอกทาง จากความมีความเป็นซึ่งควรจะได้พินิจพิจรารณาทั้งแง่ดีและชั่วอันเป็นไปในสัตว์แต่สังขารอยู่ทั่วๆไปแต่ที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะรู้นั้นก็เพราะกำลัง ที่จะสามารถทำให้รู้ให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอแม่สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสกันอยู่กับอายตนะคือตาหูจมูกเส้นกายของเรา เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นขึ้นมาได้อย่างไรและมาเกี่ยวพันติดข้อง ก, กันกับจิตใจของเราได้อย่างไรจรึงต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นเครื่องรับ รองมาแล้วด้วยดีมาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะผู้ตามหลักความจริงอันเป็นวงเฉพาะ และจําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือเ ร, เรียนเรื่องของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียนเรื่องของพระองค์เสียก่อนเมื่อเรียนรู้จบตามความจริงแล้วก็นํามาสอนโลกเพราะต่าง ท่านก็ต่างมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าเป็นแต่เพียงไม่ทราบสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเมื่อประกาศสอนธรรมะลงไปจึงเป็นเหตุให้ทราบซึ่งถึงจิตเช่นเดียวกันเพราะเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งท่านและเรา มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่ น, อน้อยพยายามเรียนเรื่องของเราไปทุกระยะโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือเราจะทำการงานหนักเบา หรือไปที่ใดมาที่ใดประสบเหตุการณ์ดีชั่วต่างๆอย่าได้หนีจากหลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือเราจะได้เหตุผลขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งฝ่ายดีและชั่วตัวของเราก็จะรอดพ้นไปจากเหตุการณ์นั้นๆด้วยอานาจแห่งหลักธรรมะเป็น เคือป้องกันตัวเพราะจิตที่ปราศจากธรรมะไม่ว่าชั่วระยะยาวเพียงชั่วระยะสั้นก็ยังไม่ทันกับเหตุการณ์อาจจะหลวมตัวไปได้ไม่มากก็น้อยหากว่ามีหลักธรรมะ เป็นเครื่องทดสอบหรือยับยั้งอยู่เสมอแล้วย่อมจะพอมีทางออกและทางแก้ไขได้เพราะธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดํำหนับล้างสิ่งที่สกปรกโสมมต่างๆการล้างโดยน้ำที่สะอาด จะทำให้สิ่งสกโปกโสมมนนั้นกลายเป็นของสปกปรกยิ่งขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีแต่ทางจะให้ดีไปเท่านั้นเมื่อร่างให้เพียงพอแก่ความต้องการแนวสถานที่นั้นย่อมเป็นสถานที่สะอาดและราบรื่นทั้งทั้งที่แต่ก่อนก็สกโปกไม่เป็นที่น่าพึงปราถนาเลย มนีทุกสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความชั่วจะเป็นคนอื่นชั่วมาเกี่ยวข้องกับเราก็าตามเราก็พยายามหาอุบายแก้ไขเช่นเดียวกับน้ำสะอาดความชั่วนั้นก็จะค่อยลดลงไปแม้ในตัวของเราเองก็เหมือนกัน เวลาแสดงขึ้นมาเพราะเหตุที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาเป็นความโกรธหรือความหงุดหงิดหรืออาจจะผลักดันออกมาทางกายทางวาจาของเราก็ได้เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นน้มที่สะอาด เข้าชำระแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมสงบระงับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับน้ำทิศาไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายในถ้ามีหลักธรรมะเกือแผงอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะ อยู่ด้วยความสะดวกสบายความโกรธความโลภความหลงที่เคยเป็นเจ้าครองอำนาจจิตใจของเรามานานก็จะนับวันผ่อนลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องชำระเวลาที่เรายังไม่เคยอบรมธรรมะเลย อย่างนี้ขณะที่สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นของชั่วมีแต่จะส่งเสริมหรือจะทำตามสิ่งที่แสดงออกนี้อย่างสมใจเท่านั้นตอนเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วแม้จะระงับไม่ได้ตามใจหวังในขณะนั้นก็าตาม แต่เราก็พอจะทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนี้เป็นความผิดของเราต่อไปก็พอจะทราบได้อีกในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมี่ค่อยทราบเข้ามาเป็นระยะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเวลาปฏิบัติจนมีความเคยชินแล้ว พอกระเพื่อมขึ้นมาเท่านั้นคือเป็นอาการไม่ดีขึ้นจากจิตใจจะเกี่ยวกับสิ่งใดกับสัตว์หรือบุคคลก็ตามเราก็รู้ทันทีและสิ่งนั้นก็ระงับลงไปแม้จะไม่ระงับก็ตามเราก็ได้ทราบชัดและทำความเข้าใจไว้กับสิ่งที่แสดงขึ้นนี้ไม่แสดงอาการรุนแรงต่อไป ก็เพราะน้ำสะอาดคือธรรมะนั่นเองเป็นเครื่องทาละไว้สมุนสมุนนี่วิธีเรียนให้รู้เรื่องของเราพยายามเรียนอย่างนี้ตามธรรมนาของใจไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมไม่คำหนึง่งมีแต่จะให้ได้อย่างสมใจเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นที่พอใจของเราแล้ว แต่ก็ไม่พอใจในหลักธรรมชาติต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วอย่างนั้นเสมอไปเช่นเราจะโกรธให้คนอื่นให้สมกับใจของเราที่อยากจะโกรธแทนที่เวลาเราโกรธให้เขาแล้วจะหายโกรธเพราะเราได้โกรธอย่างสมใจไม่หายกลับจะเพิ่มความโกรธให้มากและรวดเร็วขึ้นไปในวาระต่อไปอีกได้นี่คือวิธีที่เสริม แม้เราจะเข้าใจว่าได้ทำอย่างสมใจก็ตามแต่ก็เป็นวิธีเสริมโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่รุนแรงนับวันจะระงับลงไประงับลงไปบางทีหากมันเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างรุนแรงนี้หยุดเสียก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ย้อนเข้ามา ชำระเรื่องของตัวเองมาพ่สูจรกันแทนที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นกลับมาเกี่ยวข้องกับเหตุที่แสดงเป็นความไม่พอใจหรือเป็นความโกรธขึ้นมาภายในตัวเองเมื่อเราได้ไดทําอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ระงรับลงไปมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเอง คำที่ท่านว่าีิเลดนั้นมีหลายประเภทที่แสดงออกภายในใจถ้าเราพยายามสอดส่องดูเรื่องของเราอยู่เสมอเช่นนี้ไม่ว่าประเภทใดจะต้องลดลงไปเป็นลำดับและไม่รุนแรง เนื่องจากมีเครื่องยับยั้งไว้เสมอที่ว่าหลักธรรมะเรียนหลักธรรมะปฏิบัติธรรมะคือเรียนให้รู้เรื่องของตัวเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแสดงตัวอย่างไรบ้างทั้งทางกายและทางวาจาและทางจิตใจของเราแสดงไปทางผิดมากหรือทางถูกมากแสดงกับเรื่องอะไรบ้าง เวียนให้รู้เรื่องของตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่ภายในเป็นภาคปฏิบัติเรารู้อะไรก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้ต้นเหตุคือเราผู้ดำเนินงานหรือผู้ประพฤต การรู้เรื่องของเรานี้สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกได้โดยถูกต้องตามแต่กําลังแห่งความรู้ของเราที่มีมากหรือน้อยฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานของเราหากขาดหลักธรรมะแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อย นอกจากนั้นก็มองข้ามตัวไปจนลืมวันคืนปีเดือนลืมคลิปบัญชีของตัวไปวันหนึ่งผ่านไปอะไรที่ผ่านไปตามวันคืนปีเดือนความชั่วช้าลา้มกได้ผ่านไปด้วยไหมหรือมีแต่ชีวิตจิตใจได้ผ่านไป ควรมีไม่ผ่านมาเราต้องทดสอบตัวเองของเราเสมอหลักธรรมะต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อทดสอบตัวเองได้ประมาณเท่าไรสิ่งภายนอกก็จะเป็นเครื่องทดสอบกันไปเองได้เช่นเดียวกันเพราะหลักใหญ่อยู่กับตัวของเราผู้จะดำเนิน ง, งานไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อย นี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะแต่พึงนำมาทดสอบตัวเองเสมอจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนทั้งความละเอียดทั้งความรวดเร็วทั้งความเป็นเจ้าเรื่องเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ที่นี่หมด คำว่าเรื่องจะไม่ออกจากจิตไม่มีทางออกดีก็าตามชั่วกว่าตา่างผลเป็น ค, คกกว า, ามสุขความทุกข์ก็ต่างเช่นการเกิดอย่างนี้ซอเรื่องมาจากจิตผู้เป็นตัวการคําว่าเกิดมีหลายประเภทเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นประเภทเดียวกัน แม้ในแผ่นดินนี้มีสัตว์นับประเภทไม่ ไ, มได้ที่รวมอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันนี้ไม่ว่าในน้ำไม่ว่าบนบกสัตว์ยังแยกประเภทกันอีกหลายประเภทแต่ละประเภทประเภทนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนที่จะทำให้เป็นสัตว์ในประเภทนั้นนั้นนอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวการสัมผัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะ ไปทาสัตว์ให้เป็นไปในประเภทต่างๆจิตเป็นผู้ครองฐานะของจิตมีสูงต่าดีชั่วแค่ไหนก็ต้องสอออกมาจากร่างของสัตว์ของบุคคล คือเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในประเภทต่างๆจนไม่สามารถจะนับได้นีนทันที่ว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ก่อสร้างแล้วสั่งสมไว้ภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มเติมเพียงแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปเกิดและนำอาการต่างๆซึ่งสมควรแก่ภูมิและกรรมของตน ให้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นสัตว์มีสุนัขเป็นตน้นเขาก็แสดงตัวของเขาขึ้นมาเป็นสุนัขอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมอวัยวะของสุนัขตัวอื่นใดามาเพิ่มเติมสมบูรณ์ในนตัวของเขาแลงเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาหยิบยืมของท่านผู้หนึ่งผู้ใดามาเพิ่มเติม หลักของกรรมมีอยู่ภายในจิตใจผู้สร้างกรรมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองท่านจึงเรียกว่าอาวิชชารู้อยู่แต่ไม่แจ้งชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ความเป็นมาของตน ตลอดถึงความดีความชั่วที่ตนได้ทำขึ้นมาไม่ทราบว่าจะให้ผลดีชั่วแค่ไหนทั้งๆ ท, ที่ตนก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลานะท่านจึงให้ชื่ อ, อวิชารู้อยู่สัตวก็รู้บุคคลก็รู้แต่ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของใจเทนคือไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของตน ที่ให้ได้นามว่ารู้ท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาหลักธรรมะทั้งหมดประมวลลงมาแล้วให้เรียนรู้หลักอันเดียวคือใจเราจะปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดก็ต้องสอบถึงใจเป็นผู้บ่งการงานนั้นให้รอบคอบในหน้าที่การงาน ดีก็จะเป็นผลให้จิตใจได้สวยเป็นความสุขขึ้นมาชั่วก็จะเป็นเครื่องเยียบยั่าจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากโดยไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้มีทางเรียกว่ากรรมกรรมนี้ไม่มีใครที่จะหยิบยกออกให้กันได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้พยายามแก้ไขหยิบยกออก เองด้วยข้อปฏิบัติหรือความภาคเพียรของตนพระพุทธเจ้าท่านจิงไม่ให้ประมาทเรื่องกรรมเป็นหลักสำคัญเพราะจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมาทำแทนหรือเสวยแทนกันได้เมื่อตนได้ทำลงไปแล้วต้องเป็นผลของ ต, ตนโดยจงท่านจึงหยาบกรรมมศกรมหิ กรรมดายาดูเป็นตนนี่ไม่ในหมายถึงอะไรหมายถึงใจเป็นผู้ก่อแต่เราไม่สามารถจะทราบการจะทราบเรื่องกรรมของตนหรือเรื่องจิตได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักการอบรมจิต หาอุบายวิธีที่จะชุดลากกระแสของใจที่ซ่านไปอยู่ทุกแห่งทุกผลทั่วสันนพางร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างกว้างแคบให้รวมตัวเข้ามาโดยอุบายแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาก็หมายถึงอย่างนี้แหละ ความรู้นี้เป็นของละเอียดแต่เมื่อรวมจุดเข้ามาแล้วเราไม่ทราบว่าความรู้คืออะไรในอวัยวะของเราทุกส่วนความรู้จะสามารถรับได้หมดในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสแต่ตัวจริงของความรู้คืออะไรนี่เป็นของลำบากนั่นจึงต้องพิสูจน์กันด้วย หลักการอบรมปิดใจจะยากบ้างง่ายบ้างนั่นเป็นหน้าที่ของของเราผู้ทำงานหนักก็ต้องยอมรับเบาก็ต้องยอมรับสําหรับผู้ทำงานจะปิดงานไปไม่ได้เอาจนกว่าสาเร็จเพราะงานการทุกโดยมากงานการไม่ว่าประเภทใดๆย่อมมีหนักหรือเบาเที่ยปนกันไป ผู้เห็นแก่ผลงานแล้วย่อมไม่ถือความหนักเบานั้นมาเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการดําเนินงานแต่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนขันติคือความอดทนหนักก็ทนเอาเบาก็ต้องสู้เอาจนเป็นผลสําเร็จในงานเรื่องของการเกิดการตาย ในพพชาติต่างๆไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่สะดุดใจเราเรามองดูรอบๆข้างเราจะเห็นสุนัขเป็นต้นยิ่งว่อนอยู่ตามแถวเพราะความหิวโหวยของเขาเราพออยู่พอเป็นพอไปที่อยู่ที่ที่หลับที่นอนเครื่องใชยอุปโภคบริโภคมีพอเป็นไปไม่อดอยากขาดแคลน แต่สัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็ลําบากทั้งสัตว์ด้วยกันก็รังแกคนก็รังแกมีน้ําซ้ําค่าเฉลยก่มหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องวันหนึ่งจะอยู่ด้วยความสะดวกกายสบายใจเพราะความอิ่มหนำทาลานนั้นหายากเต็มทีนี่ก็เป็นความทุกข์สัตว์น่ะแบกความทุกข์มากกว่ามนุษย์เรา แบบความทุกข์เพราะความหิวความโหยความเสี่ยงภยัยเสี่ยงเวรวันหนึ่งรอดไปชีวิตก็ทั้งอยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังอมากมายแม้แต่ในวัดที่เขาวิ่งเข้ามาเช่นสุนัขขอนต้นเขายังต้องระวั ง, ท, งทั้งทั้งที่วัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เขายังต้องกลัวเพราะเห็นชีวิตนั้นเป็นของที่ สงวนของสัตว์ประเภทนั้นนั้นมากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไว้ใจใครเราแม้แต่เป็นพระเขาก็ไม่ทราบว่าเราเป็นพระเขาก็ไม่ไว้ใจมองเห็นเราแล้วเขาต้องวิ่งเข้าป่าเขาลุกไปนอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้จนรู้จักนิสัยของเจ้าของแล้วนั้นเขาจะมีความสนิทสนองมีพูดถึงเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้ เกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีทุกข์ระมาณเท่าไรและมีกี่พบกี่ชาติตัวเองเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายไม่สามารถจะนับพบชาติของตนได้จะเข้าใจว่าเราฉลาดที่ไหนเมื่อประมวลทุก์ในพหนึ่งชาติหนึ่งมารวมกันแล้วหากเป็นด้านมัตถุแล้วโลกนี้จะไม่มีที่อยู่เลยแม้แต่กองทุกข์ของบุคคลหรือสัตว์เพียงคนเดียวตัวเดียวเท่านั้นก็จะเต็มไปหมดฉล พราะประมวลมาเป็นลำดับลำดับ<ๆ>เป็นกาเป็นกองวันนั้นเก็บได้เท่านั้นวันนั้นมีเท่านั้นทุกเกิดขึ้นอาการใดเก็บรวมไว้รวมไว้เหมือนกันแล้วเอ า, า, าเก็บด้านวัตถุเช่นผลไม้เป็นต้นียงวันเดียวก็รู้สึกจะกองเพลินแลสดนไหนจะทนมาเกิดมาตายหยู่ ตั้งกลับตั้งกันแล้วแล้เรายังจะไม่เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่เป็นไปซ้ําๆำซากซักเนื่องจากใจดงเดียวนี้พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้ของตนไม่ควรจะเป็นที่นอนใจอย่างนี้ตั้งที่บรรดาทา่านนักแสดงบุญทั้งหลายได้ยุตสธรมมาบำเพ็ญทนความทุกข์ความลำบาก ว่าจะลำบากทางไรเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นเจ้งขอขอบคุณเนี่ยอนุโมทนาท่านท่างหลายเป็นอย่างยิ่งไม่น้าโอกาสนี่ดูการทุกขทงัซึ่งมีอยู่ในเรา